จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสะสมทรัพสมบัติที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทรัพสมบัติที่เราสามารถเอาตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วทรัพย์นี้ก็มีสองกลุ่มด้วยกันคือ ทรัพย์ที่เอาไปได้กับทรัพย์ที่เอาไปไม่ได้ความสุขที่เอาไปได้กับความสุขที่เอาไปไม่ได้ความทรัพย์และความสุขที่เราเอาไปไม่ได้ก็คือลาบยศสรรเสริญ <c oughs> ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทรัพย์ชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวพอร่างกาย ตายไปแล้วทรัพย์เหล่านี้ความสุขเหล่านี้ก็จะหมดไปถึงแม้จะมีอยู่มากน้อยเพียงไรก็ตามต้องไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เลยส่วนทรัพย์อีกชนิดหนึ่งนี้เป็นทรัพย์และความสุขที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้ก็คือทรัพย์ภายในใจ ความสุขภายในใจอันนี้เราทำไว้เท่าไหร่เราเอาไปได้หมดเลยเราต้องคิดถึงชีวิตของเราว่ามีสองส่วนมีส่วนที่เป็นส่วนชั่วกราวและมีส่วนที่เป็นส่วนถาวรส่วนชั่วกราวเราอย่าไปทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจ ให้กับมันมากจนเกินไปทาพอหอมปากหอมคอพอมีอยู่มีกินไม่เดือดร้อนก็พอแล้วเราควรมาทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจของเราให้กับส่วนที่ถาวรเถิดเพราะส่วนที่ถาวร น, นี้จะอยู่กับเราไปตลอดส่วนที่ไม่ถาวรก็คือร่างกาย ลาบยกสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขชั่วคราวเป็นทรัพย์ชั่วคราวส่วนความสุขที่ถาวรทรัพย์ที่ถาวร ก, ก็คือทรัพย์ภายในได้แก่สวรรค์ชั้นต่างๆพรมลโลกชั้นต่างๆพระอริยะบุคคลชั้นต่างๆ นี่คือทรับภายในความสุขภายในที่เราจะเอาติดตัวไปกับเราได้เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในภพใดภูมิใดทรับภายในเหล่านี้จะพาเราไปพาให้เราได้พบกับพบที่เราได้สะสมไว้ถ้าเราทำบุญอย่างต่อเนื่อง ไม่ทำบาปเราก็จะได้ไปสวรรค์เนือใจของเราได้เป็นสวรรค์ขึ้นมาความจริงสวรรค์นี้ไม่ใช่เป็นสถานที่สวรรค์นี้เป็นความรู้สึกภายในใจของเราถ้าใจเรามีความสุขเรียกว่าสวรรค์ความสุขก็มีหลายระดับด้วยกันสุขมากสุข น, อน้อยสุขนา น, ส, น, านสุขไม่นาน มีอยู่หลายระดับด้วยกันสุขระดับสวรรค์ก็เป็นชั้นต้นชั้นที่สองก็สุขระดับพรหมโลกสุขระดับขั้นที่สามเป็นสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมคือขั้นของเป็นชั้นของพระาอาริยเจ้าทั้งหลายเช่นพระาอาริยเช่นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคารี อาะอวหารนี่เป็นความสุขที่เมื่อได้แล้วจะไม่เสื่อมหมดไปแต่ความสุขระดับเทพระดับพรมนี้มีวันที่จะต้องเสื่อมหมดไปเหมือนน้ํามันรถที่เติมแล้วขับไปแล้วไม่นานก็จะต้องหมดไปก็จําเป็นจะต้องเติมใหม่เรื่อยๆถ้าเราเพียงแต่ทําบุญให้ทาน อันนี้ก็เป็นเหมือนเติมสวรรค์ไปเรื่อยๆแต่สวรรค์นี้ก็จะหมดไปตามลำดับตามต า, ม ต, ามตามเวลาเช่นเราทําบุญให้ตางแล้วเวลาเราตายไปเราก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพอยู่เป็นเทพได้ระยะหนึ่งพอบุญที่เราได้ทําไว้หมดไปจิตใจก็จะเลื่อนลงลากลับเป็นมนุษย์ใหม่ มาเติมน้ำมันใหม่เกิดมาทำบุญให้ทานใหม่ถ้าเรานอกจากทำบุญให้ทานแล้วเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ใจของเราก็จะเป็นพรหมระดับต่างๆเวลาตายไปใจก็จะเป็นพรหมแต่พรหมนี้ก็เสื่อมลงมาได้บุญของพรหมคือสมาธิก็อ่อนกำลังหมดได้ เมื่อหมดกําลังสมาธิก็จะเลื่อนลงมาเป็นเทเเมื่อหมดกําลังของเทเก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหมกลับมาสร้างบุญใหม่สักกลับมาละบาปใหม่มารักษาศีลใหม่แต่ถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือนอกจากทําบุญให้ทานแล้วก็นั่งสมาธิแล้ว เราก็จเจริญปัญญาจเจริญวิปั ส, สนาภาวานาสอนใจให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเราเห็นว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่อยากได้เราก็จะปล่อยวางได้เพอเราปล่อยวางได้ใจของเราก็จะ สมงบใจของเราก็จะหายทุกข์หายเศร้าหายโศกเราก็จะได้เป็นพระอริยะเจ้าขั้นต่างๆเริ่มตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันไปจนถึงขั้นพระอาหารหันต์ขั้นโสดาบันก็ต้องเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นความทุกข์ ทุกว่นนี้ที่เราทุกข์ก็ทุกข์กับร่างกายนี้ร่างคอยหารำมาหากินเพื่อหาปัจจัยสี่มาดูแลเลี้ยงดูร่างกายเลี้ต่อให้เลี้ยงดูให้ดีอย่างไรไม่ช้ามันก็ต้องแก่ลงไปแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องตายไปผู้ที่เจริญปัญญาขั้นร่างกาย และขั้นเวทนาคือความรู้สึกทางร่างกายเช่นความเจ็บที่เกิดจากการเจ็บไข้แน่ป่วยถ้ามีปัญญามองเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอย่าไปยุ่งอย่าไปอยากเช่นเหมือนกับเราเห็นร่างกายของคนอื่นเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับร่างกายของคนอื่นร่างกายคนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตาย เราก็ไม่ไปวุ่นวายด้วยเราปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาฉันใดเราก็ต้องมองร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นเหมือนกันต้องมองร่างกายว่าเป็นเหมือนของคนอื่นเราเป็นเจ้าของชั่วคราวเราได้รับมาจากพ่อจากแม่เราคือใจที่ตายไปจากร่างกายอันก่อนแล้วก็ กลับมาหาร่างกายอันใหม่มาเป็นสมบัติพอเราได้ร่างกายถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราพอเป็นตัวเราของเราเราก็จะอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอมีความอยากเหล่านี้เกิดขึ้นมาภายในใจก็จะเกิดความเครียดเกิดความทุกมเกิดความกลัวขึ้นมาทันที ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเครียดเราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องสอนใจให้ปล่อยวางให้ได้สอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราความเจ็บของร่างกายก็ไม่ใช่ของเราเราเป็นผู้ดูแลร่างกายเหมือนหมอดูแลคนไข้ก็ดูแลไปไม่ต้องไปเจ็บแทนคนไข้คนไข้เจ็บก็ปล่อยคนไข้เจ็บไป ร่างกายเจ็บก็ปล่อยร่างกายเจ็บไปอย่าไปะยากให้หายเจ็บอย่าไปกลัวความเจ็บของร่างกายเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายเราเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้เท่านั้นเองขอให้เรารับรู้เฉยๆแล้วเราจะไม่เจ็บใจของเราจะไม่เครียดใจของเราจะไม่ทุกข์ถ้าเรารู้ความจริงว่าร่างกายนี้ ไม่ใช่ตัวเราของเราความเจ็บนี่ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเรารู้และปล่อยได้เราก็จะหายทุกจากการเจ็บของร่างกายหายทุกจากการแก่ของร่างกายหายทุกจากการตายของร่างกายเราจะไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตาย เราจะไม่เดือดร้อนเพราะเรามีปัญญามีวิปัสสนาญาณเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราความเจ็บของร่างกายนี้ไม่ใช่เราของเรานี่คือขั้นของพระโสดาบันพระโสดาบันจะเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เอง เห็นว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจริงพระโสดาบันคือพระอริยสงสาวกนี้มีจริงไม่ใช่เป็นนิยายแต่งกันขึ้นมาเพื่อหลอกให้เราได้มาทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมกันแต่เป็นผลที่จะเกิดจากการทำบุญให้ทานรักษาศีลนั่งสมาธิและเจริญปัญญา เราจะไม่สงสัยว่าพระอริยสงสาวกนี้มีจริงหรือไม่เพราะเราได้กลายเป็นพระอริยสงสาวุขึ้นมาแล้วได้กลายเป็นพระโสดาบันขึ้นมาแล้วถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความเจ็บของร่างกายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับ ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอีกต่อไปเราก็จะไม่หลงงงง่ายกับการหาวิธีสะเดาะข้อะต่างๆเวลาร่างกายไปประสบอุบัติเหตุหรือไปประสบข้อาะห์กรต่างๆเราก็จะรู้ว่ามันเป็นผลของบาป ท, ที่เราทำมาในอดีตเราจะรู้ว่ามันเป็นธรรมดาของร่างกายที่เกิดมาแล้วต้องมีความเสื่อม มีความตายเป็นธรรมดาเมื่อลาร่างกายประสบข้อกังประสบกับความเสือ่อมประสบกับความวิบัติต่างๆเราจะไม่วุ่นวายใจเราเพร้อมที่จะรับมันเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายมันจะดีจะช่วยอย่างไรในที่สุดมันก็ต้องตายไปอยู่ดีแต่ใจของเราจะไม่ต้องทุกข์กับ ความวิบัติต่างๆของร่างกายเราก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการไปทำบุญสะดเดาะเคราะห์ต่างๆไปหาหมอดูไปหาหมออะไรต่างๆเพื่อมาแก้เคราะ์กรรของเราเพราะรู้ว่าแก้ไม่ได้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องพบกันแต่ใจที่มีสมาธิมีปัญญา จะไม่เดือดร้อนจะรู้สึกเฉยๆอย่างมากก็แค่ตายจะเรินขนาดไหนก็ตายเหมือนกันจะเสื่อมขนาดไหนก็ตายเหมือนกันแต่ใจที่มีปัญญามีมความมีความรู้ว่าไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นของเราจะไม่เดือดร้อนจะนิ่งสงบจะเฉยสบายอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าร่างกายจะเจริญหรือจะเสือ่อมนี่คือขั้นของพระโสดาบันขั้นที่สองคือข่านพระสกิดาคามีและพระอน า, าคามีนี้ท่านมีปัญหาอยู่กับกามอารมณ์คือยังเห็นคนนั้นคนนี้ว่าสวยว่างามว่ารูปรรอยังอยากได้มาเป็นสามียังอยากได้เป็นภรรยา เวลาด่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาวุ่นวายใจขึ้นมากินไม่ได้นอะนไม่หลับไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่พอได้มาแล้วก็เกิดความหวงเกิดความหวงถ้าเกิดเขาไปมีคนอื่นก็จะเกิดความเสีย อ, อกเสียใจเกิดความทุกข์ทรมานใจถ้าอยู่คนเดียวก็รู้สึกว่าเวเศร้าส้อยน้อยเหงา พราะมีกามาลงมีความอยากจะเสพกาวิธีที่จะแก้ปัญหาอันนี้ก็คือให้เจริญอสุภะกรรมฐานอสุ ภ, ะ, าาสภะแปลว่าไม่สวยงามสุภะแปลว่าสวยงามเวลาเรามองคนเรามักจะมองแต่ส่วนที่สวยงามเรามองที่หน้าตาหรือที่รูปร่าง แต่เราไม่เคยมองส่วนที่ไม่สวยงามส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นเราไม่เห็นโครงกระดูกเราไม่เห็นอวัยวะต่างๆมันเราไม่เห็นสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ถูกขับออกมาจากร่างกายเช่นปัสสาวะอุจจาระมีอยู่ในทุกๆคนไม่ว่าจะสวยหรือไม่สวยถ้าเราพิจารณาส่วนที่ไม่สวย พิจารณาส่วนที่สกรปรกของร่างกายเวลาเราเห็นคนสวยคนหล่อเราจะไม่เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาเพราะเราจะเห็นส่วนที่ไม่สวยส่วนที่เป็นปฏิกูลด้วยนี่คือวิธีที่จะกำจัดความอยากในกามอารมณ์ผู้ที่สามารถดับการอารมณ์ได้ ก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามีถ้าดับได้เป็นเพียงครึ่งเดียวยังดับไม่ได้อย่างถาวรก็จะเป็นพระสกิดาคามีนี่คือพระอริยเจ้าขั้นที่สองและขั้นที่สาต้องละการอารมณ์ให้ได้ต้องถือศีลแปลดอยู่แบบนักบวชให้ได้ไม่มีการอารมณ์ไม่มีความอยาก ร่วมหลับนอนกับใครพอเห็นแล้วว่าไม่สวยงามร่างกายนี้ไม่สวยงามร่างกายนี้ไม่สะอาดร่างกายนี้เต็มไปด้วยปฏิกูลสิ่งสกรปรกต่างๆร่างกายนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สวยงามต่างๆซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังนี่คือผู้ที่ได้ดับกลางอารมณ์ได้ ระดับการมาลมได้แล้วจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขจะไม่รู้สึกว่างเว่ยเศร้าสร้อ ย, อยงอแงและจะไม่อยากจะอยู่กับใครเพราะอยู่กับคนแล้วมีปัญหามากมีเรื่องมากน่ารำคาญอยู่คนเดียวสบายกว่านี่คือความสุขที่เป็นของพระอนาคามีส่วนความสุข ระดับสุดท้ายนี้คือระดับของพระอาหารหันต์ถาอาหารหันต์ก็ต้องละอัตตาตัวตนที่อยู่ภายในใจให้ได้ต้องไม่ถือตัวว่าตนเองสูงกว่าเขาเท่าเขาหรือต่ำกว่าเขาถ้ามีปัญญาจะเห็นว่าสัตว์โลกทั้งหลายมีเหมือนกันเท่ากันหมดมีร่างกายและมีใจเหมือนกัน ร่างกายก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันใจก็เป็นตุ๊กท่ากรู้เหมือนกันต่างกันตรงที่บุญหรือบาป ท, ที่ได้ทำไว้เท่านั้นผู้ที่ทำบุญก็จะมีความสุขมากมีความเจริญมากผู้ที่ทำบาปก็จะมีความทุกข์มากมีความเสื่อมมากแต่เรื่องว่าใครสูงกว่ากันใครต่ำกว่ากันนี่ เป็นเรื่องของสมมติเรามาสมมติกันเองเช่นเราเกิดมาเราก็สมมติว่าพ่อแม่ผู้บังเกิดก้าวสูงกว่าเราพอเรามีลูกลูกเขาก็ต่ำกว่าเราคนที่เกิดก่อนเราแล้วก็เรียกว่าพี่คนที่เกิดหลังเราเราก็เรียกว่าน้องแต่ความจริงความจริงแล้วเราก็เหมือนกันมีร่างกายกับจิตใจเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลงยึดติดกับสมมติอย่าไปถือว่าเราเป็นนายร้อยเราเป็นนายพันในสิทธิ์จะต้องเคารพเราจะต้องนับถือเราถ้าเกิดเขาไม่เคารพเราเราจะทำอย่างไรเราก็จะโกรธเราก็จะเสียใจแต่ถ้าเรารู้ว่านี่เป็นเพียงสมมติเขาจะเคารพหรือไม่เคารพนี่ก็เรื่องของเขา เขาจะเคารพก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่เคารพก็เรื่องของเขาแต่เราจะไม่ไปยึดติดกับการเคารพของเขาหรือไม่เคารพของเขาถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะไม่เดือดร้อนลูกจะด่าเราเราก็จะไม่เสียใจเราเขว่ามันเป็นเรื่องของเขาถ้ามันอยากจะเป็นลูกเนรคุณก็เรื่องของมันเราไปห้ามมันไม่ได้เราไปเสียใจทําไม ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนที่มีมีปัญญาจะไม่วุ่นวายกับเรื่องสถานภาพต่างๆใครจะถือว่าสูงกว่าก็เรื่องของเขาใครจะถือว่าเขาเท่าเราก็เรื่องของเขาไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรอยากจะใหญ่กว่าก็ปล่อยก็าใหญ่ไปอยากจะสูงกว่าก็ปล่อยก็สูงไปแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเหนือฟ้าย่อมมีฟ้าก็าจะสูงยังไงเขาก็สูงกว่า สูงกว่าสูงกว่าความตายไม่ได้ไม่ใชาก็แล้วเขาก็ต้องตายไปอยู่ดีดังนั้นผู้ที่มีปัญญาแล้วจะไม่ยึดติดกับอัตตาตัวตนจะไม่ถือตัวถือตนแต่ก็จะวางตัวให้เหมาะสมกับสมมุติถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับสมมุติถ้าเป็นผู้น้อยก็วางตัวให้เหมาะสมกับสมมุติ เป็นผู้น้อยก็ต้องมีความอ่อนน้อมมีความสัมมาคารวะเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีความสงบมีความเรียบร้อยไม่ใช่ทําตัวเป็นเหมือนเด็กเราต้องรู้จักสมมุติแล้วทําตัวของเราให้เหมาะกับสมมุติแต่เราอย่าไปหลงสมมุติอย่าไปติดสมมติขอให้เรามองว่าพวกเราทุกคนนี้เป็นเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน ไม่มีใครดีกว่าการวิเศษกว่ากันทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันนี่คือเรื่องของการละอัตตาตัวตนถ้าจะละเป็นพระอรหันต์ได้ก็จะต้องละอัตตาตัวตนให้หมดไปไม่ยึดไม่ติดกับตัวเองว่าตัวเองใหญ่หรือตัวเองเล็กตัวเองดีหรือตัวเองไม่ดี รู้ต่างความจริงดีก็รู้ว่าดีไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีใหญ่ก็รู้ว่าใหญ่ไม่ใหญ่ก็รู้ว่าไม่ใหญ่แต่ไม่ยึดติดนี่คือจะทำให้เราไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆกับคนต่างๆคนเขาจะปฏิบัติกับเราอย่างไรเราจะรู้สึกเฉยๆจะเคารพเราเราก็รู้สึกเฉยๆจะดูถูกเหยียดหยามเราก็จะรู้สึกเฉยๆ จะรักจะเกลียดเราก็จะรู้สึกเฉยเฉไม่ไม่เดือดร้อนเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของคนอื่นเวลาคนอื่นเขาเกลียดเรามันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ได้เป็นคนทำให้เขาเกลียดเขาเกลียดเองเวลาเขารักเขาก็รักเองแล้วเราจะไปดีใจไปเสียใจกับการกระทำของคนอื่นทาไมถ้าเราดีใจเสียใจก็แสดงว่าเราโง่เราไม่ฉลาด เรายังไปหลงยึดติดกับเรื่องของคนอื่นอยู่เราอย่าไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นเขาจะดูเราอย่างไรว่าเราอย่างไรตำหนิเราอย่างไรชมเราอย่างไรก็ปล่อยให้เขาทำไปอย่าไปสนใจแล้วเราจะไม่มีความทุกข์กับการกระทาของคนอื่นกับการพูดของคนอื่น นี่คือทรัพย์ภายในที่เราจะได้รับถ้าเราปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพรธเจ้าข่านอริยะเจ้านี้จะต้องเจริญวิปัสสนาจะต้องพิจารณาอนิจจังทุขขาอนัตตาเสมอเช่นอัตตาตัวตนนี้ก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนตัวตนนี้เป็นสิ่งที่เราสมมติกันขึ้นมาเราต้องเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตน ร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟมาจากข้าวที่เรารับประทานเข้าไปข้าวก็มาจากดินน้ำลมไฟถ้าไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีลมไม่มีไฟร่างกายเอข้าวจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้อย่างไร<อ>เมื่อเรากินข้าวนี้เข้าไปก็เท่ากับเอาดินน้ำลมไฟเข้าไปในร่างกายพอเข้าไปในร่างกายมันก็เปลี่ยนเป็นผมขนเล็บฟัน เป็นอวัยวะต่างๆจากเวลาตายไปมันกลับไปไหนมันก็กลับไปสู่ดินน้ําหลมไฟนี่คืออนัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวตนไม่มีอะไรเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราเราอย่าไปหลงไปยึดไปติดเราอย่าทุ่มเทชีวิตจิตใจกับการแสวงหาของที่ไม่ใช่เป็นของเรา ให้เรามาทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้มาหาของที่เป็นของเรา mm hmm. ก็คือทรัพย์ภายในความสุขภายใน mm hmm. ได้แก่สวรรค์ชั้นต่างๆ mm hmm. ได้แก่พรมโลกชั้นต่างๆ mm hmm. ได้แก่มรรคผลนผิพพานชั้นต่างๆ mm hmm. ชั้นโสดาบัน mm hmm. ชั้นสกิทาคามี mm hmm. ชั้นอนาคามี mm hmm. ชั้นอรหัน mm ต์ hmm. อันนี้แหละเป็นสมบัติของเราที่แท้จริง ถ้าเราได้เป็นโสดาบันแล้วเราจะไม่เสื่อมกลับไปเป็นเป็นปุชนอีกถ้าเราเป็นส ก, กิสาาราค า, enee, ามเาเาเีเราก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นโสดาบันถ้าเราเป็นอนาคามีเราก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นสกิราคามีถ้าเราเป็นอรหันเราก็จะไม่เสื่อมกลับมาเป็นอนาคามีถ้าเราเป็นพระอรหันแล้วเราก็จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป เราจะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจเราเลยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามจะเกิดขึ้นกับลาบนสร ะ, ะเสริญสุขหรือเกิดขึ้นกับร่างกายของเราใจของพระอรหันต์นี้จะไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งนั้นคือรับรู้เหมือนใบเหมือนน้ำบนใบบัวจะรับรู้เหตุการณ์ต่างๆเหมือนกับที่พวกเรารับรู้กันแต่จะไม่มีอารมณ์ จะไม่มีความหวาดกลัวจะไม่มีความวุ่นวายใจจะไม่มีความเครียดจะไม่มีความวิตกกังวลจะรูฉะฉะ้เฉยๆเหมือนน้าบนใบบัวน้ามันจะกิ้งไปกิ้งมามันจะไม่ซึมเข้าไปในใบบัวไม่เหมือนใจของพวกเราที่เป็นเหมือนกระดาษรับพอหยดน้าลงไปกระดาษกระดาษซับท่านั้นมันก็ซึมเข้าไปในในกระดาษเลย พวกเราเวลารับรู้เรื่องราวอะไรนี้ก็จะเกิดความตื่นตระหนกขึ้นมา ท, าทันทีเกิดความหวาดกลัวเกิดความเสียใจเกิดความเศร้าโศกขึ้นมาทันทีเลยเพราะพวกเหานั้นยังไม่ได้สร้างบุญกุศลสร้างวิปัสสนาปัญญาขึ้นมาที่จะป้องกันหรือที่จะแยกใจของเราไม่ให้ไปดูดซับสิ่งต่างๆเข้ามา ให้ดูเฉยๆนี่คือนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้เรามาสะสมทรัพย์ภายในกันดีกว่าสะสมสุขภายในดีกว่าตั้งแต่สวรรค์ชั้นต่างๆขึ้นไปจนถึงขั้นพระนิพพานเลยถ้าเราเหมั่นทำบุญให้ทานรักษาสิ นั่งสมาธิศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆมองเห็นอะไรก็ว่าไม่เที่ยมเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมีอย่าไปอยากเป็นมานั่งสมาธิกันดีกว่ามาทำใจให้สงบดีกว่าเพราะเวลาใจสงบแล้วจะไม่หิวจะไม่อยากได้อะไร เพราะความสงบนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายสุขยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเสียอีกผู้ที่มีความสุขทางจิตใจจากความสงบของจิตใจแล้วจะเห็นว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะไม่สามารถทำให้ใจสงบได้ให้มีความสุขได้เหมือนกับการนั่งสมาธิ และไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ด้วยมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ยังต้องทุกข์ใจยังต้องกังวลใจยังต้องว้าวุ่นขุ่นมัวยังต้องหวาดกลัวกับเรื่องราวต่างๆแต่ผู้ที่มีความสงบภายในใจแล้วจะไม่รู้สึกอะไรกับเหตุการณ์ต่างๆนี่คือความวิเศษของทรัพย์ภายในของความสุขภายในที่พระเจ้าได้ส่ง พบแล้วเป็นบุคคลแรกเป็นคนแรกเพราะพุทธเจ้าได้พบความสุขอันยิ่งใหญ่คือปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุขขังความสุขของพระนิพพานนี้เป็นบรมสุขเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้พอได้ความสุขอันนี้แล้วจะไม่อยากได้ความสุขอย่างอื่นต่อให้น้อยเงินมาเป็นร้อยล้านพันล้านก็จะไม่มีความรู้สึก ยินดีแต่อย่างใดแลาจะไม่เอาไปใช้ซื้อความสุขเพราะซื้อรู้ว่าความสุขที่ซื้อด้วยเงินนี้มันสู้ความสุขที่ได้จากใจที่เป็นบัลลังสุขไม่ได้ใจที่เป็นนิพพานนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าหลังจากพบความสุขอันนี้แล้วก็นำเอามาแบ่งปันให้กับพวกเราด้วยการสั่งสอนวิธี ที่จะทำให้พวกเราได้พบกับความสุขอันนี้ถ้าพวกเราน้อมนำามาปฏิบัติเราก็จะได้พบกับความสุขอันนี้อย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่น้อมนำเอาไปปฏิบัติแล้วได้พบกับความสุขอันนี้มีเป็นจำนวนมากคือพระ อ, อริยสงสาวกทั้งหลายก่อนที่ท่านจะเป็นพระ อ, อริยสงสาวกท่านก็เป็นปุถุชนเหมือนพวกเรา แต่หลังจากที่ได้ฟังพระธรรมคำสอนก็เกิดศรัทธาน้อมเอาไปปฏิบัติก็เลยได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกันขึ้นมาเป็นจำนวนมากมายแม้แต่ในสมัยนี้ก็ยังมีอยู่ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะผ่านไปแล้ว 2,500 กว่าปีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังสามารถ ยังประโยชน์ยังผลให้แก่ผู้ปฏิบัติได้เหมือนกับในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ดังนั้นอย่าไปลังเลสงสัยว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี้เสื่อมไปหรือเปล่าหมดไปเรือ่องหมดประสิทธิภาพไปหรือยังไม่มีวันหมดไม่มีวันหมดประสิทธิภาพเพราะเป็นอากาลิโกไม่เสื่อมไปตามกาล ต, ตามเวลานั่นเอง ดังนั้นสิ่งที่เราต้องมีก็คือศรัทธาความเชื่อเมื่อมีศรัทธาแล้วก็จะได้มีความภาคเพียรความขยันที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติพอเราศึกษาปฏิบัติได้แล้วผลก็จะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาสะสมทรัพย์ภายในสะสมความสุขภายใน ที่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของเรานี้ให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากคาทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติว่าเพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัย